คุยกันใ น, ในช่วง น, นี้ก็อากาศร้อนนะครับนะเข้าช่วงเข้าเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะครับก็หลายที่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยแรงนะครับนะแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่ อ, อกา ร, กรเกษตรนะครับกา ร, กรเกษตรอาจจะไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะแถวภาคอีสานนะครับนะก็คงจะต้องอเร่งในการที่จะแก้ไขแล้วครับนะมีโครงการบริหารจัดการน้ำกันอย่างไร นะครับนะซึ่งก็ต้องมามามาใชใ้ในช่วงนี้นะครับนะเพราะว่าจะสามารถที่จะพอทําการเกษตรได้นะแต่ว่าน้ําอุปโภคบริโภคนี่ก็คงจะยังยังพอมีนะครับนะก็ยังพอมใีในช่วงหน้าแรงในะแล้วอากาศปีนี้ค่อนข้างที่จะร้อนจัดนะครับนะอากาศร้อนมากนะครับหลายท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่ามีการเตือนจากทางการบอกว่าให้อยู่ในที่ที่ร่มนะครับในช่วง ในช่วงกลางวันแดดจัดๆเนี่ยนะครับนะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ให้ร่างกายได้รับความเย็นอยู่ตลอดนะครับนะซึ่งก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องของคลื่นความร้อนนะครับนะซึ่งซึ่งมีค่อนข้างที่จะรุนแรงก็จะกระทบต่อสุขภาพนะครับในช่วงนี้เนี่ยรัฐเนี่ยเร่งทําโครงการขนาดใหญ่นะครับแนตะ่ซึ่งพยายามที่จะทําโครงการขนาดใหญ่เพื่อที่จะมีการากระจายเม็ดงบประมาณลงมาเพื่อให้เศรษฐกิจนี่อาจจะ ขับเคลื่อนฟื้นได้ตอนนี้ไปโฟกัสกันอยู่ที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในภาคตอนออกซึ่งร อ, องนายมงตีนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายมงตีนะครับมีการเปิดเผยนะครับจากการประชุมคณะกรรมการบริหารระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตอนออกนะครับ Eastern seaboard น่แหละครับนะก็ ซึ่งในคณะกรรมการนี่มีในอุตมะนะเสาวนายนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกราก ร, รเป็นประธานมีรองนายกนะคก็คอยมากากับมาดูแลมีการประชุมติด ต, ตามความคืบหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันตออกหรือว e ่า EEC นะครับซึ่งก็จะมีการโครงการหลักอยู่5ส่วนก็ได้แก่โครงการสนามบินอุตภเภาบ้าง รถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็รถไฟรางคู่ท่าเรือแหลมฉะบังพัฒนาท่าเรือแหลมฉะบังนะครับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่นะครับการพัฒนและการพัฒนาเมืองใหม่นะก็แถวอยู่แถวภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันมีสองโครงการที่คืบหน้ามากที่สุดก็ได้แก่โครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมระหว่างสนามบินดอนเมืองสนามบินสวนภูมิและก็ อุตภเปานะครับซึ่งที่ประชุมก็ขอให้กระทรวงขั้นมาคมไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับนำข้อมูลมาให้ที่ประชุมแล้วก็มีโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพระยองซึ่งผ่านการศึกษารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับนะก็จะมีการลงทุนในปี2560นอะสส่วนโครงการ พัฒนาสนามบินอุตเผาก็จะมีการยกระดับขึ้นเป็นเมืองการบินภาคตอนออกก็สนามบินอุตเานี่มีพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่นะครับซึ่งก็จะมีการส่งเสริมแล้วก็นอกจากนี้มีเขตส่งเสริม e e c นะครับซึ่งก็พัฒนาสนามบินอุตเภานะครับนะโดยทําให้เป็นนานาชาติแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับเรื่องของ าการบินจากส่วนนภูมิจากดอนเมืองได้เหมือนกันและอาจจะมีธุรกิจการซ่อมเครื่องบินดึงขึ้นมาและนอกจากนี้นทางไทยคณะกรรมการยังเสนอที่จะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทางด้านดิจิตอลซึ่งเรียกว่าดิจิตอลพาร์คไทยแลนด์ในแถวหน้าครับในบริเวณภาคตนออกแถวอำเภอศรีราชาชนบุรีใช้พื้นที่ประมาณ600กว่าไร่ นะครับนะซึ่งจะมีเงินลงทุนประมาณ 68,000 ล้านนะครับนะก็จะให้บริษัทเกี่ยวกับเรื่องบริษัททางด้านดิจิตอลขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาลงทุนตอนนี้ติดต่อให้ให้เฟซบุ o กนะเข้ามาตั้งบริษัทแล้วจะมีบริษัทซอฟต์แวร์อื่นเข้ามาเป็นนิคมอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับนะก็ตรงตรงนี้ก็กำลังที่จะเร่งนะครับฟื้นฟูนะลงทุนกันอย่างอย่างหนักเลยส่วน เกี่ยวกับรถไฟรางคู่นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตอนนี้นี่ก็มีการเล่งนะครับที่จะใช้การเซ็นท o r รถไฟรางคู่5เส้นทางนะครับซึ่งก็มีการแบ่งซอยย่อยขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้รับเหมาคนไทยไลายลยย่อยเนยเข้ามาร่วมทำนะก็เป็นทางออกนึงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเส้นทางใหญ่เลยไม่มีการซอยให้ประมูลนี่ก็ ได้แต่ผู้รับเหมาขนาดใหญ่อาจจะเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับซึ่งก็ไม่ไมเขาอยากให้เม็ดเงินเนี่ยลงมาถึงผู้รับเหมารายย่อยก็มีตอนนี้เคลื่อนไหวมีช่วงเส้นทางนคนปรปฐมหัวหินประมาณ169กิเโลเมตรแล้วก็ช่วงหัวหินประจวบคิริเลขันอีก84กิโลเมตรนะครับแล้วนกะนะ็จะมีการเริ่มในการที่จะสร้างรถไฟรางคู่นะครับแล้วก็จะมีาสายทางภาคอีสานนี่นะครับมา ไล่มาตั้งแต่โคราชมาอุบล น, นะครับนะหรือโคราชขอนแก่นอาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปรวมทั้งจะมีการาทำมอเตอร์เวย์สายบางปอินโคราชนะครับนะจากอยุธยามาโคราชมีมอเตอร์เวย์นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็กำลังดำเนินการอยู่ก็จะเกิดขึ้นล่ะครับนะในในในยุคนี้เพราะฉะนั้นท่านาที่สนใจนี่ก็ต้องติดตามดูเกี่ยวกับเรื่องของอโครงการรถไฟรางคู่นะที่รัฐบากลกำลังเล่งอยู่กับ ทางด้านมอเตอร์เวย์นะครับนะที่จะเกิดขึ้นในแถวในแถวภาคอีสานนี่นะครับส่วนภาคตะวันออกนี่เขาจะทำนะนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศ ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษนะระเบียงตนออกนะก็จะมนะีทางด้านการลงทุนทางด้านดิจิตอลขึ้นมามากมายนั่นะก็เป็นนะความเคลื่อนไหวของของภาครัฐนะครับที่พยายามที่จะนะมีการนะเล่งในการที่จะพัฒนาโครงการสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะที่จะ ดันเม็ดเงินลงมารวมทั้งโครงการประชารัฐเนี่ยมีการาผ่านาเม็ดเงินลงมาตามกองทุนหมู่บ้านต่างๆให้ไปพัฒนาในพื้นที่เป็นโครงการพัฒนาต่างๆอาตอนนี้นี่ก็ลงมากันเต็มที่แล้วนะครับนะก็ลงมาทั้งในส่วนของทางต่างตำบลละ5ล้านบางทําหมู่บ้านและเป็นล้านนะครับนะแล้วก็หลายแสนคัดไล่ลงมาก็จะมีการติดตามมีการ ประเมินผลโดยเครือข่ายอาสาสมัครประชาชนนะครับซึ่งก็จะมีการขับเคลื่อนคู่กันไปนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องติดตามมารับฟังเพลงก่อนก่อนที่จะมาพูดคุยกันต่อครับ จากหนุ่มบ้านไกลสรงใจมาถึงเธอแม่ยามค่ำคืนทนขมคืนเงาจนแถบขาดใจด้วยปัญหากอบกุมซุ่มอยู่มากมายขาดเธอนั้น ที่เธอคนนี้จากสู้ทนขวากน้ำที่มีพี่ยอมพลีแม้มันยากเย็นก้าวสู่จุดหมายไปถึงฝังที่ฝันอยากเป็นทำให้ได้ดีเด่นเพื่อมาเป็นควันใจคนดี ไม่ให้แปรพันเก็บความรักเก็บความฝัน พี่ยอบพลีแม้มันยากเย็นก้าวสูงจุดหมายไปถึงฝังที่ฝันอยากเป็นทำให้ได้ดีเด่นเพื่อมาเป็นฝันใจคนดี เก็บความรักเก็บความฝันรอวันนั้นพี่มาสวัสดีครั่ฟังคับมาพูดมา คุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการความปลอดภัยนะครับตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหารถตู้นะครับประส บ, อ, บอุบัติเหตุกันมากมายมีการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์สาธารณะซึ่งวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาที่ทําเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับในส่วนของนายยุทตีแล้วก็เชิญ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องน่ยมาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการที่จะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในรถสาธารณะจะมีการใช้มอ4ิประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการลดการสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอุบัติเหตุในท้องถนนนะครับมีการพิจารณาว่าจะมีการใช้รถมินิบัสมาแทนรถตู้สาธารณะหรือไม่นะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ ก็ยังมีการพูดคุยกันหาเลือกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเกิดประโยชน์นะครับแต่ว่าในส่วนของอผู้ขับรถตู้นี่ก็ยังคัดค้านกันอยู่นะครับเพราะว่าลงทุนซื้อรถตู้มามาให้บริการนะครับถ้ามีการปรับเปลี่ยนใหม่นี่ยอาจจะขาดทุนนะครับมีปัญหากันก็ต้องมีการเจราจาต่อรองนะครับนะซึ่งก็ต้องดูส่วนใหญ่แล้วถ้ามามากักอุบัติประสบปัญหาอุบัติเหตุ น, นี่มักจะเป็น เรื่องของการขับรถเร็วเกินเกินกำหนดได้แล้วครับนะเพราะารถรถตู้นี่บางสายนี่ก็แข่งกันทำเวลาเราจะเห็นว่าคนขับนี่ขับรถเร็วมากนะครับอาจจะต้องใช้มาตรการที่ควบคุมโดยใช้ GPS หรือว่าบางครั้งนี่อาจจะอาจจะมีการกำหนดนะติดสัญญาณนะในในตัวรถตู้ได้นะครับนะว่าถ้าขับรถเกิน 90กิโเมตรต่อชั่วโมงใ ห, ให้มีสัญญาณร้องดังขึ้นมาและผู้โดยสารอาจจะเตือนคนขับอาจะเป็นไปได้นะคือในหลายประเทศก็ทําอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูมาตร ก, การเกี่ยวกับเรื่องขอ ง, ของรถตูน้นี่รัฐ ก, ก็กําลังดําเนินการกันอยู่นะครับนะซึ่งตอนนี้นี่ก็ยังอยู่ในช่วงของการดําเนินการยังไม่ได้ตัดสินนะครับว่าจะมีหามาตรา44ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของรถตู้โดยสารหรือไม่นะครับนะแต่ว่าความสะดวกสบายนี่ก็ รถตู้นี่ก็สะดวกสบายนะครับมากกว่ารถยนต์รถบัสสาธารณะนะครับซึ่งก็ช้านะครับในการที่ให้บริการรวมทั้งมีการพิจารณาที่จะแก้ปัญหารถแท็กซี่ Uber ซึ่งเป็นรถแท็กซี่ที่ผู้โดยสารสามารถที่จะเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันนะครับจากมือถือได้เลยซึ่งสะดวกนะครับเนะีเพราะว่าตอนนี้ในคนในกรุงเทพนะครับในเมืองใหญ่เนี่ยเขาทยมใช้ เรียกรถผ่านแอปพลิเคชันของ u ู e r อร์และของของของก้าวนะครับนะซึ่งเป็นรถที่แท็กซี่ที่เรียกโดยผ่านแอปพลิเคชันจากมือถือนะครับนะก็ตอนนี้นี่ปรากฏว่าในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมก็คัดค้านนะครับเพราะว่ารถที่มาให้บริการนี่ยังเป็นป้ายดำอยู่จะต้องมาทำให้ถูกต้องก็คงจะต้องต่อรองกันละครับนะเพราะว่าเพื่อผลประโยชน์ของของผู้บริโภคนะครับว่าจะ ทำอย่างไรจะจะช่วยอย่างไรนะครับนะว่าจะดูแลกันอย่างไรส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่พูดไปเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภัยแล้งนี่ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพลเอกสุรศักดิ์การชนะรัฐรัฐนตรีเปิดเผยบอกว่ า, าทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยก็จะดําเนินโครงการพัฒนาระบบ กระจายน้ำควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับนะเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยแรงนํกกินน้ำใช้ให้พอเพียงนะครับซึ่งตรงนี้นี่มีการดึงน้ำจากแหล่งน้ำนะครับบนผิวดินไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคูคลองบึงแล้วก็แหล่งน้ำบาดาลเนี่ยมาเก็บไว้ที่หอพักน้ำแล้วก็กระจายไปให้เกษตรก ร, กรและชาวบ้านได้ใช้นะซึ่งตรงนี้ในปี2 5 6 0 รัฐมตีบอกว่ามีดำเนินการอยู่87แห่งใน28จังหวัดนะครับนะซึ่งสำหรับน้ำผิวดินนะครับแล้วก็สำหรับน้ำบาดาล น, นี่มีเป้าหมายดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล น, นะครับให้กับชาวบ้านประมาณ 3,800 กว่าแห่งใน73จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ ภัยแรงได้เหมือนกันนะครับคงคงจะต้องดูนะครับนะคงจะต้องดูเพราะชาวบ้านนี่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนี่เป็น ป, ปัญหาใหญ่นะครับแนตะ่ถ้ามีการแก้ไขนะครับปัญหาน้ําได้ก็อาจจะสามารถที่จะพัฒนานะครับนะในด้านอื่นๆได้แหะครับแต่ก็ทางรัฐเนี่าจจะต้องมาช่วยนะในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินเห็นว่ามีการไปขุดสระน้ำนะครับให้กับในที่นาให้กับเกษตรกร นะครับนะซึ่งก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพราะว่าจะ ถ, ถ้ามีการขุดสระน้ำํำนะในที่สวนที่นานะสามารถจะกเก็บกักน้ําไว้ได้นี่ก็ในหน้าแล้งก็จะเอาน้ําเหล่านั้นมาเพาะปลูกทําการเกษตรนะครับซึ่งก็จะแก้ปัญหาได้เลยทีเดียวนะครับนะซึ่งก็เป็นเป็นแนวทางที่ที่ถูกต้องนะครับนะนะที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำํำรวมทั้งนะทางด้านน้ําบาดาเนี่นะครับก็ ถ้าจะใช้พลังงานทางเลือกเนี่ยมีนะครับนะมีหลายศูนย์ในการที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์ในการที่จะนะเดินเครื่องสูบน้ำนะสูบน้ำขึ้นมาไวนะในในสะในระในแะล่ต่างๆโดย จ, จากน้ำบาดาลเนี่ยมาเก็บไว้ในสระในบ่อเพื่อที่จะมานะทำแปลงการเกษตรนะครับซึ่งกนะ็มีศูนย์เรียนรู้หลายแห่งนะเริ่มดาเนินการนะถือว่าเป็นการใช้พลังงานสะอาด ก, ก็เป็นสิ่งที่ดีรวมทั้งกางหันลมด้วยนะครับนะการหันลมนี่มีหลายที่ที่ใช้การหันลมนามาหมุนนะครับแล้วก็สูบน้ําขึ้นมาใช้นะครับนะ ก, ก็ถือว่าในแนวของป่าชาวบ้านนี่ก็ทําได้นะครับนะทำได้ก็จะแก้ปัญหาได้นะครับนะก็ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดศูนย์สาธิตมีการอบรมกันบ่อยๆก็จะทําให้ปัญหาแหล่งน้ําเนี่ยจะคีข่ายหรืออาจจะต้องมีวิธีการที่จะผันน้ํานะครับจาก แม่น้ำนานาชาติพวกแม่น้ําโขงแม่น้ำแม่น้ําขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามานะครับมากับเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ําในเขื่อนนะครับเพื่อที่จะมีการกระจายให้กับเกษตรกรนะรจะทําได้หรือไม่นะครับนะเพราะฉะนั้ น, นีนตรงนี้คงจะต้องมีการศึกษามีการเก็บข้อมูลนะครับนะเขจะทําให้การแก้ปัญหาน้ำนี่ก็สามารถจะขี้ข่ายลงไปได้นะครับใจช่วยในหลายๆฝ่า ย, ายสําหรับวันนี้นะครับเวลาของ รายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราะควนบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนีรานกุลทานันต้องขอลาท่านไว้ก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ c a l t l e 甘冷。